พระไตปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่15ห้าชื่อสั่งยุตตนิกายสคาทวรเป็นสุดตันตปิฎกท่านผู้อ่านได้ทราบมาแล้วว่าพระสุดตันตปิฎกเท่าที่ย่อมาแล้วมีหกเล่มเป็นหมวดยาวคือทิฆานิกายสามเล่มเป็นหมวดขนาดกลางคือมัชชิมะนิกายสามเล่มพระสุดตันตปิฎกเริ่มแต่เล่มที่เก้า เมื่อจบมัชิมะนิกายจึงถึงเล่มที่14บัดนี้มาถึงสังยุตตนิกายซึ่งเป็นหมวดประมวลเรื่องต่างๆไว้เป็นหมวดหมู่เริ่มแต่เล่มที่ส5บห้าถึงเล่มที่19รวมห้าเล่มเมื่อมาถึงหมวดประมวลหรือสังยุตตนิกายนี้ผู้เขียนมีความเสียใจที่จะต้องย่อลงอย่างสั้นที่สุดเพื่อให้สามารถย่อเล่มที่ยี่สิบ ถึงเล่มที่45รวม26เล่มให้รวบรัดได้ลงใน2เล่มที่ยังค้างอยู่แต่การย่อสังยุตตนิการอย่างสั้นที่สุดนี้ก็เป็นโอกาสดีอย่างหนึ่งคือในการพิมพ์ครั้งต่อไปก็อาจจะย่อเพิ่มเป็นอีกเล่มหนึ่งต่งหากสาหรับสั่งยุตตนิกายโดยเฉพาะแต่ทั้งนี้ต้องสุดแต่ความเหมาะสม สังยุตตนิกายห้าเล่มแบ่งออกเป็นเล่มที่15ชื่อสังยุตตนิกายสคขาทวักหมายความว่าทุกสูตรในเล่มนี้ซึ่งมีถึง271สูตรเป็นสูตรที่มีคาถาหรือคำสอนอันเป็นบทกวีคำว่าสคขาทวรกวักที่มีคาถาจึงเป็นชื่อของเล่มที่15้านี้เล่มที่16ชื่อสังยุตตนิกายนิทานวัก คำว่านิธานวคแปลว่าวักว่าด้วยต้นเหตุคืออธิบายถึงธรรมะที่เป็นเหตุปัจจัยของความเวียนว่ายตายเกิดที่เรียกว่าปฏิจจสมุติประบาทเล่มสิบเจดชื่อสังยุตตนิกายขันธวารวคคำว่าขันธวารวคแปลว่าวักว่าด้วยวาระที่กล่าวถึงขันธ์คือกองรูปกองนาม หมายความว่าร่างกายจิตใจของคนเราแบ่งออกเป็นสองส่วนเป็นส่วนรูปธรรมกองหนึ่งเป็นส่วนจิตใจหรือนามธรรมอีกกองหนึ่งเล่มที่ 18, ปดชื่อสังยุตตนิกายสลายตนะวั์คำว่าสลายตนะวัชแปลว่าวัชว่าด้วยอายตนะหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจ เป็นอันรวมกล่าวเรื่องตาหูเป็นต้นในเล่มที่18ดนี้ทั้งเล่มส่วนเล่มที่19ชื่อมหาวารวักคําว่ามหาวารวักและววักว่าด้วยวาระใหญ่หมายความว่าธรรมะเรื่องสำคัญสำคั ญ, คญเช่นมักโพชงอินรีเป็นต้นได้นำมากล่าวไว้ในเล่ม19นี้ทั้งสิน้น มีข้อที่ควรสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในแต่ละเล่มของห้าเล่มนี้ซึ่งเรียกว่าวัคใหญ่แต่ละวัคประจำเล่มแล้วยังแบ่งเป็นส่วนใหญ่เรียกว่าสังยุตแบ่งเป็นส่วนย่อยเรียกว่าวัคโดยมากมีวัคละสิบสูตรหรือถ้าทำเป็นแผนผังวิธีจะเห็นได้ดังนี้วัคใหญ่รวมทั้งเล่มเป็นหนึ่งวัคใหญ่ สังยุตรวมเรื่องใดเรื่องหนึ่งวักเล็กรวมสูตรประมาณ10 ส, สูตรต่อหนึ่งวักเฉพาะเล่มที่15 ห, หรือสังยุตานิกายสคาทวักแบ่งออกเป็น12 ส, ส, สังยุตดังต่อไปนี้ 1. เทวตาสังยุตประมวลเรื่องเทวดาที่ไปทูลถามปัญหาต่อพระพุทธเจ้ามีทั้งหมด81สูตร แสดงคำถามของเทวดาคำตอบของพระพุทธเจ้าที่เป็นคาถาหรือบทกวีทั้งคำถามคำตอบสองเทวปุตตสังยุตประมวลเรื่องเทพบุตรที่ไปทูลถามปัญหาต่อพระพุทธเจ้ามีทั้งหมด30สสูตรแสดงคำถามของเทพบุตรคำตอบของพระพุทธเจ้าที่เป็นคาถาหรือบทกวีทั้งคาถามคาตอบ สาก็ส ล, ลสังยุตประมวลเรื่องที่ตรัสโต้ตอบกับพระเจ้าประเสรที่โกศลมีทั้งหมด25สูตร 4. มารสังยุตประมวลเรื่องมารซึ่งไปปรากฏกายในลักษณะต่างๆกันบางครั้งได้มีการโต้ตอบกับพระพุทธเจ้าบางครั้งไม่ได้พูดแต่พระผู้มีพระภาค ได้ตรัสภาสิทธ์ในเรื่องทรงทราบว่าเป็นมารในสังยุทธ์นี้มี2 5สูตร 5. ภิกษุณีสังยุตประมวลเรื่องนางภิกษุณีแสดงถึงการที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่นางภิกษุณีต่างรูปมีสิบสูตร 6. พรมมสังยุตประมวลเรื่องพรหมแสดงการที่พระพรหมมาเป้า พระผู้มีพระภาคตรัสภาษิตโต้ตอบมี15สูตร 7. จพราหมณสังยุตประมวลเรื่องพราหมณ์มีพราหมณ์ต่างๆตั้งปัญหาถามบ้างกล่าววาจาก้าร้าวบ้างพระผู้มีพระภาคได้ตรัสโต้ตอบเป็นภาสิทธให้ได้เห็นธรรมมี22สูตรส่วนใหญ่มีผลเป็นสองคือพราหมณ์ออกบวชสำเร็จเป็นพระอรหันต กับพรามเลิ่มใสปฏิญญาตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิต 8. วังคีสะสังยุตประมวลเรื่องเกี่ยวกับพระวังคีสะเทระมี12สูตร9วณะสังยุตประมวลเรื่องเกี่ยวกับปา่าคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่พระเทระต่างๆที่อยู่ในปา่า มีส4สูตร 10. ยักษะสังยุตประมวลเรื่องยักษ์ที่มาเฝ้าพระผู้มีพระภาคและพระองค์ได้ตรัสโต้ตอบมี12สูตร 11. ส, สักกะสังยุตประมวลเรื่องเท้าสักกะจอมเทพชั้นดาวดึงที่มาเฝ้าและพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมมี25สูตร สาระสำคัญของคำสอนในเล่ม15นี้อยู่ที่พาสิทธ์สั้นๆจับใจมากกว่าเรื่องที่จะให้ติดในเรื่องเทวดาหรือมารรมอันหนึ่งจำนวนพระสูตรนี้รวมแล้วได้271สูตรพระตรายปิดกฉบับประชาชนเล่มที่16ชื่อสังยุตตานิกายนิธานวั์เป็นสุดตันตปิดก ได้กล่าวแล้วว่าประไตรปิฎกเล่มนี้กล่าวด้วยเรื่องปฏิจจสมุปปบาทคือความเกิดขึ้นโดยอาศัยเหตุปัจจัยรวมทั้งเมื่อกล่าวถึงความดับก็แสดงเหตุปัจจัยที่ดับเป็นต่อๆกันไปคำว่านิทานแหลงถึงเหตุปัจจัยจึงใช้เป็นชื่อของเล่มนี้ว่านิทานวรตรรวมทั้งเล่มมี9ก้าสังยุตคือ 1. อภิสมัยสังยุต ประมวลเรื่องเกี่ยวกับการตรัสรู้โดยแสดงถึงเหตุปัจจัยส่งผลต่อต่อกันให้มีการเวียนว่ายตายเกิดและในทางตรงกันข้ามเมื่อดับเหตุปัจจัยก็ส่งผลต่อต่อกันให้ดับความเวียนว่ายตายเกิดได้ 2. อธาตุสังยุตประมวลเรื่องธาตุกล่าวถึงธาตุในทางธรรมะหลายชนิดเช่นธาตุที่เนื่องด้วยตา หูจมูกลิ้นเป็นต้นรวมถึงการที่สัตว์ทั้งหลายเข้ากันได้โดยธาตุ 3. ามอนัมตะคะสังยุตประมวลเรื่องสังสารวัฏหรือความเวียนว่ายตายเกิดมีเบื้องต้นและที่สุดอันตาไม่พบจึงควรที่จะเบื่อหน่ายคลายกำนัดในสังขารควรที่จะหลุดพ้นไป 4. กัสปะสังยุตประมวลเรื่องพระมหากัสปะแสดงถึงการที่พระมหากัสปะไปเป้าพระกู้มีพระภาคและมีพระพุทธดำรัสด้วยรวมทั้งเหตุการณ์อื่นๆเกี่ยวกับพระมหากัสปะเช่นการสั่งสอนนางภิกษุณีเป็นต้น 5. ้าลาภสักการะสังยุตประมวลเรื่องลาภสักการะ ที่ทำให้คนเสียคนทำให้อยู่ไม่เป็นสุขจึงไม่ควรปล่อยให้ลาบสการะชื่อเสียงครอบงามจิตจนลืมตัวเพราะถ้าไม่รู้เท่าก็จะเป็นเสมือนหนึ่งเบ็ดที่มีเหยื่อล่อให้หลงกลืนเข้าไป 6. ราหุลสังยุตหรือราหุนสังยุตประมวลเรื่องพระราหุนเกี่ยวด้วยการที่พระผู้มีพระภาค ทรงแสดงธรรมเรื่องต่างๆแก่พระราหุล 7. ลักขณาสั่งยุทธประมวลเรื่องพระลักขณะท่านผู้เดินทางไกลไปกับพระมหาโมคลานะผู้ได้เห็นสิ่งแปลกๆต่างๆแต่พระลัณไม่เห็นพระมหาโมคลานะจึงชวนท่านไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบถูลเล่าถวายพระผู้มีพระภาค ตรัสตอบชี้แจงเหตุผล 8. โอปปมะสั่งยุต์ประมวลเรื่องเปรียบเทียบเป็นคำสอนต่างๆเช่นเรื่องสุนัขที้เรือนอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายคนชั่วบางคนก็มีลักษณะเป็นเช่นนั้น 9. ภพิกขุสั่งยุต์ประมวลเรื่องพิกษุแสดงถึงการที่พระผู้มีพระภาคบ้าง พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะบ้างแสดงธรรมสั่งสอนภิกษุทั้งหลายพระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่17ชื่อสังยุตตนิกายขันธวารวักเป็นสุดตันตปิฎกพระไตรปิฎกเล่มนี้ส่วนใหญ่ว่าด้วยเรื่องขันห้าคือหนึ่งรูปหมายถึงธาตุทั้งสี่ประชุมกันเป็นกาย และรูปอาศัยคืออาการอื่นๆที่อาศัยธาตุทั้ง4ปรากฏขึ้นเช่นตาหูจมูกเป็นต้น 2. เวทนาคือความรู้สึกอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์และไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขซึ่งเกิดจากสัมผัสหมีสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ 3. สัญญาคือความจำได้หมายรู้เช่นจำรูปจำเสียงเป็นต้นสสังขารความคิดหรือเจตนาที่เป็นไปในรูปเสียงเป็นต้นห้าวิญญาณคือความรู้แจ้งอารมณ์หมายถึงรู้สึกว่าเห็นรูปฟังเสียงเป็นต้น พระไตรปิฎกเล่มนี้รวมทั้งหมดมี13สังยุตคือหนึ่งขันธสังยุตประมวลเรื่องขันกล่าวถึงขันห้าพร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆ 2. ราธสังยุตประมวลเรื่องพระราธะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมสั่งสอนพระราธะผู้เดิมเป็นพรามภายหลังมาบวชในพระพุทธศาสนาท่านเป็นผู้ว่าง่าย รับฟังโอวาท ด, ด้วยความเคารพ 3. ทิฏฐิสังยุตประมวลเรื่องทิฏฐิคือความคิดเห็นที่เนื่องด้วยขันห 4. โอกากรันตะสังยุตประมวลเรื่องข้ามพ้นภูมิชั้นต่ำหรือภูมิปุตุชน 5. อุปปาทสังยุตประมวลเรื่องความเกิดขึ้น แห่งตาหูเป็นต้นเท่ากับเป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ 6. กิเลสสังยุตประมวลเรื่องกิเลสคือความชั่วภายในจิตใจที่ทำใจให้เศร้าหมอง 7. สารีปุตตสังยุตประมวลเรื่องพระสารีบุตร 8. นาคสังยุตประมวลเรื่องนาค คือสัตว์ประเภทงู 9. สุปันนะสังยุตประมวลเรื่องครุฑคือสัตว์ประเภทนก 10. คันทัพภกายะสังยุตประมวลเรื่องเทพพวกคนทันคือเทพที่สิงอยู่นักกลิ่นแห่งรากไม้แก่นไม้กระพีไม้เหลือกไม้สเก็ดไม้ใบไม้ดอกไม้ผลไม้รสไม้กลิ่นไม้ 11. วลาหกสั่งยุต์ประมวลเรื่องวลาหกคือเมฆคือเมฆหนาวเมฆร้อนเมฆหมอบเมฆลมและเมฆปน 12. วัชโครตสั่งยุติประมวลเรื่องวัชโคตตับอริภาชก 13. สมาธิสั่งยุต์ประมวลเรื่องสมาธิคือการทำใจให้ตั้งมั่น พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่18ชื่อสังยุตตนิกายสลายตนาวัตรเป็นสุดตันตะปิฎกพระไตรปิฎกเล่มนี้ว่าด้วยเรื่องอายตนะหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจในชั้นแรกไม่จัดเป็นสังยุตแต่จัดเป็นหมวดห0สบคือปณสกะรวมสี่หมวดคือปณสกะที่หนึ่ง ถึงที่4รวมทั้งสิ้นประมาณ200สูตรว่าด้วยเรื่องตาหูเป็นต้นต่อไปจึงจัดเป็นสังยุตรวมสิบสังยุตคือ 1. เวทนาสังยุตประมวลเรื่องเวทนาแสดงถึงเวทนาสองประการถึงเวทนา108ประการ 2. มาตุคามสังยุตประมวลเรื่องมาตุคามคือผู้หญิง 3. ชัมผู้ขาท ก, กะสังยุตประมวลเรื่องปริภพาชกชื่อชัมผู้ขาท ก, กะผู้โตอตอบกับพระสารีบุตรสี่ 4. โมคลานะสังยุตประมวลเรื่องพระโมคลานะ 5. จิตตคะหะปฏิปุชาสังยุตประมวลเรื่องคำถามของจิตตคะฤหะบดี 6. กคานิสังยุ y ประมวลเรื่องนายบ้านคือผู้ปกครองหมู่บ้านมีชื่อต่างๆกันแสดงถึงการที่พระผู้มีพระภาคตรัสสั่งสอนนายบ้านเหล่านั้น 7. อสังคตะสังยุตประมวลเรื่องอสังคตะคือสิ่งที่ไม่ได้ถูกปัจจัยปรุงแต่ง 8. อัพยากตะสังยุตประมวลเรื่องที่พระผู้มีพระภาคไม่ตรัสชี้ชัด คือเรื่องที่ไม่มีประโยชน์ทำให้โตเถียงกันเปล่าๆพระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่19ชื่อสังยุตตนิกายมหาวารวักเป็นสุตตันตปิฎกพระไตรปิฎกเล่มที่19นี้ว่าด้วยธรรมะสำคัญเรื่องใหญ่ๆรวมส2สองสังยุตคือ 1. มัคคะสังยุต ประมวลเรื่องมรคมีองค์8อันเป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ 2. โพชงคะสังยุตประมวลเรื่องโพชงเจ็คือองค์แห่งปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้มีสติเป็นต้น 3. สติปทานนสังยุตประมวลเรื่องสติปัฐาน4คือการตั้งสติ4ประการมีตั้งสติไว้ที่กายเป็นต้น 4. อินทรียสังยุตหรืออินรียสังยุตประมวลเรื่องอินรี่หคือธรรมะอันเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนมีศรัทธาความเชื่อเป็นต้น 5. ้าสมปทา น, นาสังยุตประมวลเรื่องความเพียรชอบสประการมีเพียรทำไม่ให้เกิดความชั่วที่ยังไม่เกิดเป็นต้น 6. พละสังยุต ประมวลเรื่องภละห้าคือธรรมะอันเป็นกำลังหประการมีศรัทธาความเชื่อเป็นต้น 7. อิธิปาทสังยุตประมวลเรื่องอิทธิบาท4คือธรรมะอันให้บรรลุความสาเร็จ4ประการมีชันทะความพอใจเป็นต้นพึงสังเกตตั้งแต่สังยุตที่หนึ่งถึงที่7นี้ว่าด้วยโพธิปัิยธรรม37ประการ เป็นแต่ไม่เรียงลำดับตามหมวดเท่านั้น 8. อนุรุท ธ, ธะสั่งยุติประมวลเรื่องพระอนุรุธผู้เป็นพุทธะอนุชา 9. กาฌานสั่งยุตประมวลเรื่องฌานคือการเพ่งอารมณ์จนจิตสงบได้ฌานที่1ถึงที่4 10. อาอนาปานะสั่งยุติประมวลเรื่องสติกำหนดลมหายใจเข้าออก ซึ่งเป็นวิธีทําจิตให้สงบประการหนึ่งที่นับว่าสําคัญ 11. โซดาปฏิสังยุต์ประมวลเรื่องการที่จะเป็นพระโสดาบันคือพระอริยบุคคลชั้นที่หนึ่งซึ่งนับเป็นชั้นแรกในสี่ชั้น 12. สัจจะสังยุตต์ประมวลเรื่องอริยสัจซึ่งเป็นธรรมะที่เป็นหลักสําคัญทางพระพุทธศาสนา จบความย่อแห่งพระไตรปิฎกตั้งแต่เล่ม15ถึงเล่ม19อันเป็นสังยุตตนิกายหมวดประมวลเรื่องราวรวมห้าเล่ม